ตอนที่41เดเด็กเปรดหน้าร้านช่วงบ่ายซูมานอินและซุนจิวหลิงกำลังช่วยกันเช็คกระจกอยู่ที่หน้าประตูร้านประตูไม้กรอบสีน้ำเงินบานนี้ใหญ่มากกระจกเองก็บานใหญ่เช่นกันเดิมทีตั้งใจจะใช้มันเพื่อแสดงความรุ่งโรจน์ของร้านตัดผมแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเครื่องตอกย้ำความเสื่อมโทรมของร้านแทนสองแม่สา ม, มีลูกสะพ้ยถือหนังสือพิมพ์เก่าที่ขยำจนยับจุ๋มเล่าเอ้อกวัวโถแล้วนำมาเช็คกระจกจนสายจาวสะท้อนเหงาคน ขณะที่กาลังยุ่งอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องให้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นนี่มันลูกกลางของฉันนะเธอมีสิทธิ์อะไรมาแย่งก็สิทธิ์ที่ฉันเป็นผู้ชายงีเด็กกระโปโลอย่างเธอมีสิทธ์อะไรมาเล่นลูกกลางสวยๆแบบนี้แต่นี่พ่อซื้อให้ฉันนะไม่ใช่ของเธอเธอก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีให้ฉันเล่นสักสองสามที่จะเป็นไรไปเอาคืนมานะไม่ให้ พูดจบเด็กชายก็ผลักเด็กหญิงอย่างแรงจนเธอล้มลงไปกองกับพื้นเด็กหญิงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจอยู่บนพื้นส่วนเด็กชายกลับสะบัดเชือกตีลูกข่างไม้ต่ออย่างภ้าพูมิใจจ่วงจวงซุนจิวหลิงกำหนังสือพิมพ์ในมือแน่นพางเดินเข้าไปหาจ้วงจวงทำไมเธอถึงรังแกเพื่อนร่วมชั้นแบบนี้ล่ะซุนจิวหลิงพยุงเด็กหญิงขึ้นมาพร้อมกับช่วยปัดฝุ่นตามตัวให้ไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมจะ๊ะ เด็กหญิงเช็ดน้ําตาพลางสายหน้าคุณน้าคาเขาแย่งลูกกลางของหนูไปซุนจิ๋วหลิงหันไปถลิงตาใส่เด็กชายเอาของคืนเพื่อนไปเดี๋ยวนี้ไม่ไม่คืนเด็กชายตอบกลับอย่างดื้อรัน้นอย่านี้เล่นไม่เป็นหรอกให้ไปก็เสียของเปล่าๆนั่นมันของของเขาจะเสียของหรือไม่เธอก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งซูมานอินเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะคว้าเชือกในมือเด็กชายมาอย่างรวดเร็วแล้วก้มลงเก็บลูกกลางไม้บนพื้นส่งคืนให้เด็กหญิงที่กำลังร้องไห้ เอาไปเถอะเจ้าวันหลังก็อยู่ให้ห่างจากเขาไว้หน่อยนะขอบคุณข้คุณนะเด็กหญิงรับลูกกางไม้กับเชือกของตนมาแล้วรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเด็กชายเห็นดังนั้นก็โกรดจัดเขาเหวี่ยงเท้าเตะเข้าใส่ข้างหลังซูมานอินเทนทีซูมานอินหมุนตัวหลบตามสัญชาตญาณหลบการโจมตีของเด็กชายได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กชายออกแรงมากเกินไปจนเสียหลักเมื่อเตะพลาดจึงคุมร่างกายไม่อยู่ล้มกระแทกพื้นอย่างแรงซุนจิ๋วหลิงเห็นดังนั้นก็รีบพ่อไปดูด้วยความตกใจ จ้วงจ้วงเจ็ดตรงไหนหรือเปล่าซูมานอินขมวดคิ้วจิวหลิงเธอรู้จักเจ้าเด็กเปรตนี่ด้วยเหรอซุนจิวหลิงพยุงจ้วงจ้วงขึ้นมาก่อนจะตอบด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนนี่คือจ้วงจ้วงลูกชายของโจวเวยเฉียงค่ะโจวเวยเฉียงซูมานอินทำหน้ามึนงงเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเว่ยหมินละ่ะคราวนี้เป็นฝ่ายซุนจิวหลิงที่อึ้งไปโจวเวยเฉียงเป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องของเว่ยหมินและเป็นพี่ชายแท้ๆของเว่ยเก๋งไงคะลูกชายคนโตของหวังเกวยหา ซูมานอินอุทานไม่ใช่สิลูกชายของหวังกว้ยฮามีลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอจ้วงจวงลุกขึ้นจากพื้นสะบัดมือซุนจิ๋วหลิงที่ช่วยพยุงออกแล้วจ้องมองซูมานอินด้วยสายตาอาฆาตคุณอายุน้อยกว่าย่าผมอีกไม่ใช่ว่าเป็นย่าเหมือนกันเหรอคุณมารังแกผมเดี๋ยวผมจะกลับไปฟ้องย่าให้ย่ามาขวนคุณให้ตายเลยซูมานอินไม่คาดคิดเลยว่าทั้งลูกและหลานของหวังเกว่าฮาจะถอดแบบกันมาแปะแปะไม่รู้จักคําว่ามารายาทเลยสักนิด จ้วงจ้วงใช่ไหมที่โรงเรียนครูไม่ได้สอนเรื่องการเคารพผู้ใหญ่และรักเพื่อนร่วมชั้นหรือไงซูม่านอินก้าเท้าเข้าไปหาช้าชาซุนจิวหลิงเห็นสีหน้าของแม่สามีไม่สู้ดีนักจึงรีพอมาขวางไว้แม่ขยับไปถือสาเด็กเลยค่ะซุนจิวหลิงหันไปตะโกนใส่จ้วงจ้วงอย่าไม่รีพอโทษคุณย่าใหญ่อีกไม่ผมไม่ทาจ้วงจวงยืดอกขึ้นพางชี้นิ้วใส่ซูมานอิน ยาผมพูดถูกคุณมันก็แค่ใหญ่จิ้งจอกเจ้าเล่าล้างผ่านบ้านเข้าข้างคนนอกไม่เข้าข้างคนในหน้าไม่อายจ้วงจ้วงซุนจิวหลิงตกตะลึงเด็กคนนี้เพิ่งจะเจ็ดขบเองนะักกล้าชี้นิ้วด่าผู้ใหญ่กลางถนนแบบนี้โตไปจะขนาดไหนซูมานอินผักซุนจิวหลิงออกไปเบาๆแล้วเดินเข้าไปใกลจ้จ้วงจ้วงพร้อมรอยยิ้มเธอเรียกฉันว่าใยายจิ้งจอกเจ้าเล่หรอทั้งที่ซูมานอินกําลังยิ้มอยู่แต่จ้วงจ้วงกลับรู้สึกใจคอไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกก็ใช่ไง จ้วงจ้วงยังปากแข็งแต่เสียงเริ่มสั่นยังเห็นได้ชัดดีเลยขอบใจนะที่ชมว่าฉันสวยซุนจิวหลิงที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับอึง้งแม่สามีคงไม่ได้โกรธจนเพี้ยนไปแล้วใช่ไหมทำไมถึงคิดว่านั่นเป็นคำชมไปได้แต่ที่เธอว่าฉันล้างผ่านบ้านเนี่ยฉันไม่ยอมรับหรอกนะซูมานอินใช้มือทั้งสองข้างจับไหล่ของจ้วงจ้วงไว้แน่นมานี่มาคุยกันในร้านให้รู้เรื่องหน่อยสิว่าญาของเธอพูดอะไรไว้บ้างผมไม่ไป จ้วงจ้วงพยายามจะดิ้นให้หลุดจากซูมานอินแต่กลับพบว่าแรงของผู้หญิงคนนี้มีมากกว่าพ่อของเขาเสียอีกปล่อยข้าในใ ย, ยผู้หญิงนิสัยไม่ดีหน้าไม่อายเจ้าแกลง้งเทียเสียงตบหน้าดังสนั่นฉาดหนึ่งลงบนใบหน้าของจ้วงจ้วงผิวอันบอบบางบวมเป่งขึ้นมาทันทีจ้วงจ้วงกลั้นไว้ไม่ไหวอีกต่อไปร้องให้โฮออกมาเสียงดังส น, นั่นซุนจิ๋วหลิงรีบก้าเข้าไปข้างหน้าคุกเข่าลงเช็ดน้ําตาให้จ้วงจ้วงอย่างโลนลาน คุณแม่ข่าอบรมสั่งสอนเด็กจะลงไม้ลงมือไม่ได้นะความจริงหลังจากลงมือไปแล้วซูม่านอิงก็รู้สึกเสียใจอยู่บ้างนางไม่เคยสั่งสอนเด็กมาก่อนจริงๆแต่เด็กคนนี้มันน่าโดนสั่งสอนเหลือเกินจิวหลิงเจ้าคิดว่าเด็กคนนี้ถ้าไม่ลงไม้ลงมือจะเอาอยู่หรือแง่แง่อสไพรรองช่วยค่าด้วยช่วยค่าด้วยจ้วงจวงเริ่มขวัญเสียรีบมุดเข้าไปในอ้อมกอดของซุนจิวหลิงจ้วงจวงเอ๋ยต่อไปเจ้าจะด่าคนหรือรังแกคนอื่นไม่ได้แล้วนะ ซุนจิวหลิงเช็ดน้ำตาให้จ้วงจ้วงพางเกลีกล่อมอย่างอดทนรีพอโทษคุณย่าใ ห, ใหญ่เสียสิขอแค่รู้ตัวว่าผิดและแก้ไขเจ้าก็ยังเป็นเด็กดีไม่ฆ่าไม่ทำจ้วงจ้วงหลบอยู่ในอ้อมกอดของซุนจิวหลิงดวงตายังคงจ้องมองซูมานอิงอย่างดูร้ายนางเป็นยายคนใจร้ายจ้วงจ้วงทำไมเจ้าถึงเป็นเด็กหัวแข็งแบบนี้นะซุนจิวหลิงเริ่มมีโทสะขึ้นมาบ้างถ้าเจ้ายังเป็นแบบนี้อีกอาสไพรรองจะไม่สนใจเจ้าแล้ว เมื่อเห็นว่าซุนจิวหลิงก็ไม่ช่วยตนจ้วงจ้วงก็ยิ่งร้องให้หนักกว่าเดิมขณะนั้นเองโจเวเฉียงที่เพิ่งซื้อบุหรี่กลับมาเห็นลูกชายร้องให้ก็รีบพุ่งเข้ามาทันทีจ้วงจ้วงใครรังแกเจ้าบอกพ่อมาพ่อจะแก้แค้นให้เองไม่มีใครรังแกเขาหรอกคะ่ะซุนจิวหลิงรีบอธิบายเป็นจ้วงจ้วงที่ไปรังแกเด็กผู้หญิงคนอื่นแย่งของเขามาพวกเราเลยดุเขาไปไม่กี่คำซุนจิวหลิงเจ้าเห็นข้าเป็นตัวอะไรโจเวเฉียงบีบใบหน้าเล็กๆที่บวมแดงของจ้วงจ้วง แค่ดูจะทําให้หน้าบวมขนาดนี้เชียวหรือคุณพ่อเป็นนางจ้วงจวงชี้ไปที่ซูมานอินเพื่อฟ้องทันทีใหญ่ผู้หญิงใจร้ายคนนี้แหละที่ตกค่าเมื่อโจเวยเฉียงเห็นว่าเป็นซูมานอินสีหน้าก็พันบึ้งตึงขึ้นมาทันทีซูมานอินเจ้ากล้าแต่ต้องลูกชายของข้าเชียวหรือซูมานอินขมวดคิ้วมุ่นโจเวยเฉียงเจ้ากล้าแทนตัวว่าข้ากับใครกันข้าเป็นป้าสะภ้ยใหญ่ของเจ้านะหลานชายที่รัก ถุยโจวเวยเฉียงแสดงสีหน้าดูแคลนก็แค่ปีศาจจิ้งจอกที่เสนอตัวให้ลุงใหญ่ฟรีๆยังกล้ามาทําตัวเป็นผู้ใหญ่ใบหน้าของซูมานอิงเขียวคล้ำขึ้นมาทันทีโจวเวยเฉียงเจ้าพูดอีกทีสิทําไมพูดแทงใจดําล่ะสิโจวเวยเฉิงทําหน้าลําพองบอกไว้เลยนะเจ้าต้องรีบขอโทษลูกชายข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะทําไมซูมานอิงจ้องโจวเวยเฉียงเขม่งปลายเท้าเริ่มแตะพื้นขยับข้อเ ท, เท้าเตรียมพร้อม ไม่อย่างนั้นก็อย่าหาว่าข้าลงมือกับเจ้าก็แล้วกันพูดจบโจเวยเฉียงก็โถมตัวเข้าใส่ทันทีซูมานอินเตรียมพร้อมกำลังจะวาดขาเตะออกไปแต่กลับมีร่างเงาสีดำสายหนึ่งเข้ามาขวางระหว่างทั้งสองคนไว้หยุดมือกลางถนนหนทางห้ามทะลวีว่าสร้างความวุ่นวายเก้าช้างเฮอระลึงตาใส่โจเวยเฉียงก่อนจะหันกลับมาขยิบตาซ้ายให้สูมานอินทีหนึ่งเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม